พรมมากุณทลีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์เรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคลานะเถระถามเทพประบุตรตนหนึ่งว่าท่านประดับตกแต่งร่างกายทั้ทรงดอกไม้ทรงพัสตราพร์สวยงามใส่ต่างหูงามตัดผมโกนหนวดเรียบร้อยสวมเครื่องประดับข้อมือมีบริวารยศรุ่งเรืองอยู่ในทิพวิมานดังดวงจันทร์ อันหนึ่งทวยเทพพากันมาบรรเลงพินทิพดังไพเราะและเทพกัญญาหก0มื่นสี่พันนางมีรูปงามท่องเที่ยวไปมาอย่างสำราญในภพดาวดึงมีสมบัติมากมายเป็นผู้ชำนาญการฟ้อนรำขับร้องพากันมาให้ความบันเทิงอยู่ท่านได้บรรลุเทวริตมีอนุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลาณะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเทระถามว่ามเมื่อเข้าไปเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เห็นสมณะทั้งหลายผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีบริวารยศเป็นพระหูสูรบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพยบู์โดยเคารพเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปฐมมะกุลธรีวิมานที่8จบ 9. ทุติยะกุลธรีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงค์เรื่องที่สอง พระมหาโมคลาณะเทระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าท่านประดับตกแต่งร่างกายทัาทรงดอกไม้ทรงพัสราพรสวยงามใส่ต่างหูงดงามตัดผมโกนหนวดเรียบร้อยสวมเครื่องประดับข้อมือมีบริวารยศรุ่งเรืองอยู่ในทิพวิมานดังดวงจันทร์อันหนึ่งทวยเทพพากันมาบรรเลงพินทิพย์ดังไพเราะและเทพกัญญาห4 0 0 0นี่พันนางมีรูปงาม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 จึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เห็นสมณะทั้งหลายผู้ดีงามถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีบริวารยศเป็นพระหูสูตรมีศีลมีอินทรีย์ผ่องใสจึงมีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพยบูนโดยเคารพเพราะบุญ น, นั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยะกุณฑลีวิมานที่9จบ 10. ปายาสิวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้เป็นคนรับใช้เจ้าปายาสิพระมหาโมคลาณะเทระถามเทพประปุตรตนหนึ่งว่าวิมานของท่านนี้เปรียบเสมือนสุธรรมสภาของท้าวสักกะเทวราช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 เมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นชายหนุ่มรับใช้ของเจ้าปายาสิได้ทรัพย์มาแล้วก็ทำการแจกจ่ายอันหนึ่งท่านผู้มีศีลทั้งหลายเป็นที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพยบูนโดยเคารพเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ ปายาสิวิมานที่10จบปายาสิกวักที่6จบรวมเรื่องวิมานที่มีในวักนี้คือ 1. ปถมมอาคาริยวิมาน 2. ทุติยอาคาริยวิมาน 3. ผมลทายกัวิมาน 4. ปถมมอุปัสยาทายกัวิมาน 5. ทุติยอุปัสยาทายกัวิมาน 6. พิกขาทายกะวิมานเจ็ดเยาวะบาลกะวิมานแปดปฐมมกุณทลีวิมานเก้าุติยะกุณทลีวิมานสิบปายาสิวิมานจะกล่าวปุริสวิมานวัคที่สองดังนี้ สุนิกกคิตตวักหมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบหนึ่งจิตตลตาวิมานว่าด้วยวิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนจิตละดาพระมหาโมคลานเถระถามเทพประบุ ต, ตนหนึ่งว่าสวนจิตละดาเป็นสวนประเสริฐชั้นดีเยี่ยมของถวยเทพชั้นดาวดึงสองแสงสว่างสวัยชั้นใด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 เมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนยากจนไม่มีที่พึ่งยากไร้เป็นกรรมกรเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เท่าอันหนึ่งท่านผู้มีศีลทั้งหลายเป็นที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพ่บูนโดยเคารพเพราะบุญ น, นั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ จิตตละตาวิมานที่หนึ่งจบ 2. นันทนะวิมานว่าด้วยวิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนนันทวันพระมหาโมคลานะเทระถามเทพประบุตรตนหนึ่งว่าสวนนันทวันเป็นสวนประเสริฐชั้นดีเยี่ยมของถวยเทพชั้นดวดึงสองแสงสว่างสวัยชั้นใดวิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาชั้นนั้น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 นันทนวิมานที่สองจบ 3. มณิถูนวิมานว่าด้วยวิมานแก้วมณีที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นพระมหาโมคลลานเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าวิมานมีเสาทําด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้12โยดมีปราสาทเจ็โร้อยยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูล มีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงามท่านสถิตเดิมกินอยู่ในวิมานนั้นมีทวยเทพพากันมาบรรเลงพินทิพย์ดังไพเราะในวิมานของท่านนี้มีเบญจากามคุณอันเป็นทิพยรสและเหล่าเทพนารีผู้ประดับด้วยอาพรณทองคำฟ้อนรำอยู่เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้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 เพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้มณิถูณนะวิมานที่สามจบ 4. สุวรรณวิมานว่าด้วยวิมานทองคำที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าพระมหาโมกกลานะเทระถามเทพประบุตรตนหนึ่งว่าวิมานที่ภูเขาทองคาของท่าน มีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกส่วนปกคลุมด้วยขายทองคําผูกเข่งขายกระดึงไว้เสาวิมานทุกต้นแปดเหลี่ยมสร้างไว้อย่างสวยงามล้วนประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูลแต่ละเหลี่ยมประดับรัตนะเจ็ดประการมีพื้นหน้ารื่นรมใจวิจิตรด้วยแก้วไพลทูลทองคําแก้วพลึกเงินแก้วลายแก้วมุกดาและทับทิม ที่วิมานั้นไม่มีธุรีฟุ้งขึ้นมีหมู่จันทรนสีเหลืองสร้างไว้รองรับช่อฟ้าบันไดสีบันไดสร้างไว้สีทิศวิมานั้นมีห้องสาเร็จด้วยรัตนะต่างๆรุ่งโรดดังพระอาทิตย์ที่วิมานั้นมีภัยทีอยู่ทั้งสีทิศจัดสร้างได้สัสดส่วนสองแสงสว่างชช่วงโดยรอบทั้งสี่ทิศในวิมนันประเสริฐนั้น ท่านเป็นเทพบุตรมีรัศมีรุ่งเรืองมากมีผิวพรรณรุ่งโรจน์อย่างยิ่งดังพระอาทิตย์กำลังอุทัยนี้เป็นผลของทานหรือศีลหรือการกราบไหว้ของท่านอาตมาถามท่านแล้วโปรดบอกผลกรรมนั้นแก่อาตมาเถิดเทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเทระถามว่า ข้าพเจ้าเลื่อมใสแล้วให้สร้างวิหารใกล้เมืองอันทกวินทะถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเผ่าพันุพระอาทิตย์ด้วยมือของตนข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายของหอมดอกไม้ปัจจัยเครื่องรูปไล้และวิหารแด่พระศาสดาที่เมืองอันทกกวินทะนั้นเพราะบุญกรรมอันเป็นเหตุนั้นข้าพเจ้าได้ผลบุญนี้ จึงมีสิทธิในสวนนันทวันข้าพระเจ้ามีหมู่เทพอักษรฟ้อนรำขับร้องห้อมล้อมรื่นรมอยู่ในสวนนันทวันอันน่ารื่นรมมีหมู่นกนานาชนิดมากมายสุวรรณวิมานที่สจบ อัมพวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้รับจ้างรถน้ำต้นมะม่วงได้ถวายน้ำสงแด่พระสารีบุตรพระมหาโมคลานเถระถามเทพประบุตรตนหนึ่งว่าวิมานมีเสาทำานื้แก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้สิบสองยดมีประสาทเจ0ร้อยยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูล มีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคาสวยงามท่านสถิตดื่มกินอยู่ในวิมานนั้นมีทวยเทพพากันมาบรนเลงพินทิพย์ดังไพเราะในวิมานของท่านนี้มีเบญจากากมคุณอันเป็นทิพยรสและเหล่าเทพนารีประดับด้วยอาพรทองคาฟ้อนรำอยู่เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อพระอาทิตย์กำลังแผ่แสงในเดือนท้ายฤดูร้อนข้าพเจ้าเป็นคนรับจ้างรดน้ำสวนมะม่วงของคนเหล่าออ่นขณะนั้นพระสารีบุตรซึ่งเหน็ดเหนื่อยกายแต่ใจไม่ได้เหน็ดเหนื่อยได้เดินมาทางสวนมะม่วงนั้นข้าพเจ้ากำลังรดน้ำต้นมะม่วง เห็นท่านกำลังเดินมาจึงได้กล่าวว่าขอโอกาสเถิดขอรับกระผมข อ, อนิมนให้ท่านสงน้ำข้อนั้นจะนำความสุขมาให้กระผมเพราะกุญเจ้าสารีบุตรวางบาจีวรไว้เหลือผ้าสบงผืนเดียวนั่งที่ร่มเงาโคนต้นไม้เพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสนำน้ำใสมาถวายให้ท่าน ซึ่งมีผ้าสบมผืนเดียวสงที่ร่มเงาโคลนต้นไม้ต้นมะม่วงเราก็รดน้ำแล้วสมณะเราก็ให้สงน้ำแล้วและบุญไม่ใช่น้อยเราก็ขนขวายแล้วเพราะเหตุดังนี้คนผู้นั้นจึงมีปิติซาบซ่านไปทั่วกายของตนชาตินั้นข้าพเจ้าได้ทำกรรมมีประมาณเท่านี้นั่นเองและร่างมนุษย์แล้วมาเกิดยังสวนนันทวัน ข้าพเจ้ามีหมู่เทพ อ, อักษรฟ้อนรำขับร้องห้อมล้อมรื่นรมอยู่ในสวนนันทวันอันน่ารื่นรมมีหมู่นกนานาชนิดมากมายอัมพาวิมานที่ห้าจบ 6. โคปาลาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโคผู้ถวายขนมแด่ภิกษุพระมหาโมคลานเทระถามเทพระบุติตนหนึ่งว่า ภิกษุรูปหนึ่งเห็นเทวดาแล้วสอบถามว่าท่านสวมเครื่องประดับข้อมือมีบริวารยศรุ่งเรืองอยู่ในวิมานสูงซึ่งตั้งอยู่ชั่วการนานเหมือนจันทเทพบุตรรุ่งเรืองอยู่ในทิพยวิมานท่านประดับแล้วทังดอกไม้ทรงพัสตราพรสวยงามใส่ต่างหูงดงามตัดผมโกนหนวดเรียบร้อยสวมเครื่องประดับข้อมือมีบริวารยศ รุ่งเรืองอยู่ในทิพยาวิมานดังดวงจันทร์อันหนึ่งทวยเทพพากันมาบรนเลงพินทิพดังไพเราะและเทพกัญญา 64,000 นี่พันนางมีรูปงามท่องเที่ยวไปมาอย่างสำราญในภพดาวดึงมีสมบัติมากมายเป็นผู้ชำนาญการพากันมาฟ้อนรำขับร้องให้ความบันเทิงใจอยู่ท่านได้บรรลุเทวริตมีอนุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทาบุญอะไรไว้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 และฝูงโคได้พากันไปเพื่อจะกินถั่วราชมาศอันหนึ่งวันนี้ข้าพเจ้าต้องทำกิจสองอย่างควบคู่กันไปท่านขอรับครั้งนั้นข้าพเจ้าได้คิดอย่างนั้นแหละแต่นั้นจึงกลับได้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงวางห่อขนมถวายในมือพร้อมกับกราบเรียนว่าผมขอถวายขอรับข้าพเจ้านั้นรีบรุดไปยังไร่ถั่วราชมาศ พรที่ไร่ถั่วราชมาศซึ่งเป็นทรัพย์สินของเจ้าของไร่จะถูกฝูงโคทําลายณที่นั้นงูเห่ามีพิษร้ายได้กัดเท้าข้าพเจ้าผู้กําลังรีบด่วนข้าพเจ้านั้นถูกความทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นและภิกษุได้แก้ห่อข น, นมนั้นออกแล้วฉันข น, นมเพื่ออนุเคระาระห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าตายเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วตายไปเกิดเป็นเทวดา ข้าพเจ้ากระทำกุศลกรรมนั้นไว้เท่านี้ตนเองจึงได้สวยผลกรรมที่นำความสุขมาให้เพราะพระคุณเจ้าอนุเคราะห์ไว้มากแล้วข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระคุณเจ้าด้วยความกตัญญูในมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกและมารโลกไม่มีมุนีท่านอื่นผู้อนุเคราะห์เช่นกับพระคุณเจ้าเพราะพระคุณเจ้าอนุเคราะห์ไว้มากแล้วข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระคุณเจ้าด้วยความกตัญญู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 กันทกะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่มากันทกะพระมหาโมคลานะเทระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าในคืนวันเพ็ญดวงจันทร์มีรอยรูปกระต่ายเป็นใหญ่กว่ามหมูดาวมีหมูดาวนักสัตว์แวดล้อมโคจรไปโดยรอบฉันใดที่พยาวิมานนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นน่าอยู่มีรัศมีรุ่งโรจน์ในเทพบุรี เหมือนพระอาทิตย์กําลังอุทยัยมีพื้นหน้ารื่นรมวิจิต ด, ด้วยแก้วไพยทูลทองคำแก้วพลึกเงินแก้วลายแก้วมุกดาและทับทิมลาดด้วยแก้วไพยทูลปรางประสาททั้งหลายของท่านงามหน้ารื่นรมประสาทซึ่งเนรมิตไว้ดีแล้วสะโบครณีของท่านหน้ารื่นรมมีหมู่มัชาทิพอาศัยอยู่เนืองแน่นน้าใสสะอาดมีพื้นลาดด้วยสายทองคา ดารดาษด้วยบัวหลวงหลากชนิดบัวขาวรายล้อมอยู่รอบยามลมพัดก็โชยกลิ่นหอมระรื่นจรุงใจทั้งสองข้างสระบุกรณีของท่านนั้นมีพุ่มไม้เนลรมิดไว้ดีแล้วซึ่งประกอบด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองอย่างเทพอับสอนทั้งหลายพากันมาบำรุงท่านผู้นั่งบนบัลังเท้าทองคำที่ปูลาดด้วยผ้าขนสัตว์อ่อนนุ่ม ดังบำรงเท้าสักกะเทวราชพวกนางแต่งองค์ด้วยเครื่องประดับทงมวลประดับด้วยพวงดอกไม้ต่างๆบำเรอท่านผู้มีฤทธิ์มากให้รื่นรมท่านรื่นเริงบันเทิงใจดังเท้าวัสวัตตีเทวราชท่านมีความยินดีในการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีรื่นรมอยู่ด้วยกลองสังตะโพลพินและบันดอก ท่านมีรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะหลายอย่างล้วนเป็นทิพย์น่ารื่นรมสมความประสมในวิมานอันประเสริฐนั้นท่านเป็นเทพระบุตผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมากมีผิวพรรณรุ่งโรดยิ่งดังพระอาทิตย์กำลังอุทยัยนี้เป็นผลของทานหรือศีลหรือการกราบไหว้ของท่านอาตมาถามแล้วท่านโปรดบอกผลกรรมนั้นแก่อาตมาเถิด เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเทระถามว่าข้าพเจ้าคือพยามากันทกะเป็นสหาชาติกับอพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะในกรุงกบิลพัทราชธานีที่อุดมของกษัตริย์ศากยะวงศ์คราวเมื่อพระราชโอรสพระองค์นั้นเสด็จออกเพื่อพระโพธิญาในเวลาเที่ยงคืนพระองค์ทรงใช้ฝาพระหัตที่อ่อนนุ่ม มีพระนขาที่แดงปลังกระตุ้นข้าพเจ้าและได้รับสั่งว่าพาไปสิสหายเราบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดแล้วจกช่วยสัตว์โลกให้ข้ามโอขะสงสารเมื่อข้าพเจ้าฟังพระดำรัสน์นั้นมีความหันสาร่าเริงมากคราวนั้นข้าพเจ้ามีใจยินดีเบิกบานรับพระดำรัสพอรู้ว่าพระสักรยบุตรผู้ทรงยศใหญ่ ประทับนั่งบนหลังข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็บันเทิงเบิกบานใจได้นำเสด็จพระมหาบุรุษออกไปถึงแคว่งของกษัตริย์เหล่าอื่นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระมหาบุรุษนั้นก็ทรงละข้าพเจ้าและฉันนาอมาต์ไว้ไม่ได้ทรงอาลัยแล้วเสด็จหลีกไปข้าพเจ้าได้เลียพระบาททั้งสองซึ่งมีพระนัขาแดงของพระองค์และได้ร้องไห้มองดูพระมหาวีระ ผู้กำลังเสด็จไปเพราะไม่ได้พบพระสักยบุตรผู้ทรงสิริพระองค์นั้นเขาพระเจ้าจึงป่วยหนักแล้วตายอย่างฉับพลันโดยอนุภาพแห่งบุญที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสนั้นแหละเขาพระเจ้าจึงมาอยู่ครอบครองวิมานนี้ซึ่งประกอบด้วยการมคุณทิพย์ทุกอย่างในเทพบุรีนี้เองอันหนึ่งเพราะมีความยินดีที่ได้ฟังข่าวการบรรลุพระโพธิญาณ เพราะมีขุศลเป็นมูลเหตุนั้นนั่นแหละข้าพเจ้าก็จะบรรลุความสิ้นอาสวะได้ท่านผู้เจริญถ้าพระคุณเจ้าจะพึงไปสํานักพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระคุณเจ้าช่วยกราบทูลพระองค์ถึงการถวายอภิวาส ด, ด้วยเสียงกล่าวตามคําของข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระชินเจ้าซึ่งหาบุคคลอื่นเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่า การได้เห็นพระโลกนาถผู้คงที่หาได้ยากพระสังคีติกาจารย์ได้รจนาคถาไว้สองคถาดังนี้ว่าการทกะเทพบุตรนั้นเป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาฟังพระดารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุแล้วชมระธรรมจักสุให้บริสุทธิ์ครั้นชมระทิฏฐิวิจิกริกชฌาและศีลปตะประาปรมาศให้บริสุทธิ์แล้ว ถวายอภิวาพระยุคลาบาพระศาสดาแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองการทกะวิมานที่เจ็ดจบอเนกวันนวิมานว่าด้วย วิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพระบุตรผู้มีรัศมีหลากสีพระมหาโมฆลลานะเถระถามเทพระบุตรตนหนึ่งว่าท่านมีหมู่เทพอับสรแวดล้อมขึ้นวิมานมีรัศมีต่างๆวิจิตมากมายเป็นที่ระ ง, งับความกรวนกรวายและความเศร้าโศกบันเทิงอยู่ดังท้าวสุนิมมิตเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาไม่มีผู้เสมอเหมือนท่านอันหนึ่ง ไม่มีใครที่ไหนยิ่งไปกว่าท่านทั้งด้านบริวารยศ ด, ด้านบุญและด้านฤทธิ์ทวยเทพทั้งมวลและหมู่เทพชั้นเดวดึงพากันมาประชุมนอบน้อมท่านดังเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมดวงจันทร์และเทพอักษรเหล่านี้พากันมาฟ้อนรําขับร้องให้ความบันเทิงใจรอบๆอบท่านท่านได้บรรลุเทวริษมีอนุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทําบุญอะไรไว้ เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าท่านผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้านั้นเป็นพระสาวกของพระชินเจ้าทรงพระนามว่าสุมเมธ ย, ยังเป็นปุถุชนมิได้ตัสรู้บวชอยู่เจ็ดพรรษา เมื่อพระจินเจ้าทรงพระนามว่าสุมเมธผู้เป็นพระศาสดาทรงข้ามโอคะได้แล้วผู้คงที่เสด็จปรินิพานแล้วข้าพเจ้านั้นไหว้รัตนเจดีย์ซึ่งคลุมด้วยขายทองคำแล้วได้ทำใจให้เลื่อมใสในพระสถูกรข้าพเจ้าไม่ได้ให้ทานก็เพราะข้าพเจ้าไม่มีวัตถุสิ่งของที่จะให้แต่ได้ชักชวนคนอื่นในการให้ทานนั้นว่า ขอเชิญท่านทั้งหลายบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้นว่ากันว่าด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้ท่านทั้งหลายละจากอัตภาพนี้แล้วจกไปสู่สวรรค์ข้าพเจ้าได้ทํากุศลกรรมนั้นไว้เท่านี้ตนเองจึงสวยสุขอันเป็นทิพย์บันเทิงอยู่ในถ้ำกลาหมู่เทวดาชั้นเดวดึงทั้งอย่างไม่หมดบุญ อเนกวันณวิมานที่8จบ 9. มัทกุณทลีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่มัทกุณทลีมานพผู้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจพรามถามเทพประบุต น, นั้นว่าเจ้าประดับตกแต่งร่างกายใส่ต่างหูเกลี้ยงทัดรงดอกไม้มีกายรูปไร้ด้วยจุนแก่นจันแดง ประคองแขนแกรมครวนอยู่กลางป่าเจ้าเป็นทุกข์เรื่องอะไรมัเถกุลทลีเทพบุตรตอบว่าเรือนรถที่ทําด้วยทองคํางามผุดพองเกิดขึ้นแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังหาล้อรถทั้งคู่นั้นไม่ได้เพราะความทุกข์นั้นข้าพเจ้าจักยอมสละชีวิตพราหมณ์กล่าวว่าพ่อมานกผู้เจริญล้อทองคําล้อแก้วมณีล้อทองแดง หรือล้อเงินจงบอกข้ามาข้าจะจัดล้อทั้งคู่ให้เจ้ามานพนั้นกล่าวแก่พรามนั้นว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองย่อมปรากฏในท้องฟ้านั้นรถธงคำของข้าพเจ้าย่อมงามด้วยล้อทั้งคู่นั้นพรามกล่าวว่าพ่อมานพเจ้าโง่นักที่มาปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาข้าเข้าใจว่าเจ้าจากตายเสียเปล่า เพราะเจ้าไม่มีทางที่จะได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เลยมานพกล่าวว่าแม้การโคจรไปมาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่รัศมีก็ยังปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนคนที่ตายไปแล้วย่อมไม่ปรากฏเราทั้งสองผู้ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครนองโง่กว่ากันพราหมณ์กล่าวว่าพ่อมานพเจ้าพูดจริงแท้ เราทั้งสองผู้ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้านี้แหละโง่กว่าที่มาปรารถนาคนที่ตายไปแล้วเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์เจ้าช่วยระ ง, งับข้าผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกรวนกระวายทั้งหมดได้เหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปลียงเจ้าบรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของข้าผู้กำลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศก ซึ่งเสียบที่หัวใจของข้าขึ้นได้แล้วหนอพ่อมานบข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกสอนคือความโศกขึ้นให้แล้วก็เย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเจ้าพรามื่อจะถามต่อไปจึงกล่าวว่าเจ้าเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าศักกะบุริน tha เจ้าเป็นใครเป็นบุตรของใครหรือเราจะรู้จักเจ้าได้อย่างไร มานพเปิดเผยตนแก่พราม์นั้นว่าท่านเองเผาบุคคลใดที่ป่าช้าแล้วคร่ำครวญร้องไห้ถึงบุคคลใดบุคคลนั้นคือข้าพเจ้าซึ่งทำกุศลกรรมแล้วได้เกิดร่วมกับหมู่เทพชั้นไตรทศพราหมณ์ถามว่าเมื่อเจ้าให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นข้าพเจ้ามิได้เห็นเพราะกรรมอะไรเจ้าจึงไปเทวโลกได้ มานบตอบว่าข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้ทุกทรมานมีกายกระสับกระสายอยู่ในที่อยู่ของตนได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสดังทุลีทรงข้ามพ้นความสงสัยเสด็จไปดีแล้วมีพระปัญญาไม่ต่ำซามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใสได้ทำอัญชลีกรรมแด่พระตถาคตครั้นทากุศ ล, ลกรรมนั้นแล้ว ได้เกิดร่วมกับหมู่เทพชั้นไตรทศพรามกล่าวว่าน่าอัศจ ร, รจริงไม่เคยมีมาแล้วหนออัญชลีกรรมมีผลเป็นได้ถึงเช่นนี้แม้ข้าพเจ้าก็มีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใสจึงขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้นี่เองมานกกล่าวว่าท่านจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้นี่แหละอันหนึ่งท่านจงสมาทานศิกขาห้าอย่าให้ขาดและด่างพร้อยคือจงรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จินดีเฉพาะพัญญาของตนอย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มน้ำเมาพรามกล่าวว่าเทวดาผู้น่าบูชาท่านเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทาตามคาของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเทพของนรชนเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าจะรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์ยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ำเมามัถธกุณทลีวิมานที่9้าจบ เสริสกาวิมานว่าด้วยวิมานไม้ซึที่เกิดขึ้นแก่เจ้าปายาสิพระกวัมปติกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังคําของเทวดาและพวกพ่อค้าที่ได้มาพบกันในทะเลทรายในคราวนั้นและขอเชิญทุกท่านฟังถ้อยคําตามที่เทวดาและพวกพ่อค้าสนทนากันยังมีพระราชาพระนามว่าปายาสิได้เกิดร่วมกับหมู่ภูมิมะเทวดา มีบริวารยศบันเทิงอยู่ในวิมานของตนเป็นเทวดาแต่ได้มาสนทนากับพวกมนุษย์เซริส ก, กะเทพบุตรถามพวกพ่อค้าด้วยคถาว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้กลัวทางคดเคี้ยวมีใจหวาดหวั่นอยู่ในที่หน้าระแวงว่ามีภัยในป่าในถิ่นของอธมนุษย์ในทางกันดานซึ่งมีน้ำมีอาหารไม่เพียงพอเดินไปได้แสนยากท่ามกลางทะเลทราย ในทางทะเลทรายนี้ไม่มีผลไม้ไม่มีเผือกมันไม่มีเชื้อไฟในทางทะเลทรายนี้จะหาอาหารได้แต่ที่ไหนนอกจากฝุ่นและทรายที่แดดแผดเผาทั้งร้อนทั้งทารุณที่นี้เป็นที่ดอนร้อนดังแผ่นเหล็กเผาไฟหาความสบายไม่ได้เทียบเท่านรกสถานที่นี้เป็นที่อยู่ดั้งเดิมของพวกหยาบช้ามีปีศาจเป็นต้น เป็นภูมิประเทศเหมือนถูกสาบไว้อันหนึ่งพวกท่านหวังอะไรเพราะเหตุไรจึงไม่พิจารณาให้ทีท่วนตามกันเข้ามายัางประเทศถิ่นนี้พร้อมกันเพราะความโลภความกลัวหรือเพราะหลงทางพวกพ่อค้าตอบว่าพวกข้าพเจ้านั้นเป็นพ่อค้าเวียนอยู่ในแคว้นมคตและแคว้นอังคะต้องการทรัพย์หวังกาไรจึงบรรทุกสินค้ามามาก พากันไปยังศินทุและโสวีระประเทศกลางวันพวกเข้าพเจ้าทุกคนทนความกระหายน้ำไม่ได้ทั้งมุ่งหวังจะอนุเคราะห์สัตพานะจึงรีบเดินทางมาในกลางคืนซึ่งเป็นเวลาวิการพวกเข้าพเจ้านั้นไปผิดทางจึงหลงทางสับสนเหมือนคนตาบอดเดินหลงเข้าไปในป่าที่ไปได้ยากแสนยากท่ามกลางทะเลทรายเกิดงุนงงสงสัยไม่รู้ทิศทาง ท่านที่ควรบูชาพวกข้าพเจ้าได้พกวิมานอันประเสริฐและตัวท่านซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนนี้จึงหวังจะรอดชีวิตยิ่งกว่าแต่ก่อนเพราะได้เห็นจึงพากันร่าเริงดีใจและเบิกบานใจเทพบุตรถามว่าเพราะพวกขา้าพเป็นเหตุพวกท่านจึงพากันบปญนังทิศ ต, ต่างๆคือฝั่งสมดทะเลทรายทางที่ต้องใช้เครือไว้ทางที่ต้องตอกถอยทางที่มีแม่น้า และทางภูเขาที่ไปได้ยากพ่อค้าทั้งหลายพวกท่านได้ไปยังแคว้นของพระราชาอื่นๆพบเห็นผู้คนชาวต่างประเทศพวกเราขอฟังสิ่งอัศจรรย์ที่พวกท่านได้ยินหรือได้เห็นมาพวกพ่อค้าตอบว่าพ่อกุมารสมบัติของมนุษย์ที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งอัศจรรย์กว่าวิมานของท่านแม้นี้พวกข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นมาก่อน วิมานของท่านซึ่งมีรัศมีไม่เลวพวกเขาไปแจวแลดูแล้วไม่อิ่มเลยที่วิมานของท่านนี้มีสะโบคารณีลอยอยู่ในอากาศมีสวนดอกไม้มากมายมีบัวขาวมากมีหมู่ไม้ผลดอกออกผลเป็นนิดโชยกลิ่นหอมตลบอบอวนเสา ว, วิมานเหล่านี้เป็นเสาแก้วไพลทูลสูงร้อยซอกประดับด้วยแก้วพลึกแก้วประพาน แก้วเพทายและทัพทิมมีรัศมีโช่ช่ ว, ชวงวิมานของท่านนี้มีเสาพันต้นภายในประกอบด้วยแก้วภายนอกล้อมรอบด้วยไพลทีทองคําและมุงบังอย่างดีด้วยแผ่นทองคามีอนุภาพหาที่เปรียบไม่ได้งามอยู่บนเสาเหล่านั้นวิมานของท่านนี้สว่างสวัยด้วยทองชมพูนุชั่นเยี่ยมทุกส่วนของวิมานเกลี้ยงเกลาดี ประกอบด้วยบันไดและพื้นหน้าพอใจมั่นคงงดงามมีส่วนประกอบกลมกลืนชวนพิศอย่างยิ่งน่าชอบใจภายในวิมานแก้วมีข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์ตัวท่านมีหมู่เทพอับสอนห้อมล้อมกึกกล้องด้วยเสียงตะโพนเปิงมางและดุริยางเป็นผู้ที่ถวยเทพนอบน้อมแล้วด้วยการชมเชยและกราบไหว้ตัวท่านนั้นมีอนุภาพสุดที่จะคิด ประกอบด้วยคุณทุกอย่างอันหมูเทพนารีปลูกเรา้าบันเทิงอยู่ในวิมานประสาทที่ประเสริฐน่ารื่นรมดังเท้าเวสวร์บันเทิงอยู่ในนารินีสถานท่านเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์เป็นเท้าสักกะจอมเทพรหรือเป็นมนุษย์พวกพ่อค้าเวียนถามท่านโปรดบอกเถิดท่านเป็นเทวดาชื่ออะไรเทพบุตรตอบว่าเขาพระเจ้าเป็นเทวดาชื่อเสรีสักกะ เป็นผู้รักษาทางกันดาลผู้คุ้มครองทางทะเลทรายทำตามคำสั่งของเทวเวสวร์จึงดูแลรักษาประเทศถิ่นนี้อยู่ผู้พ่อค้าถามว่าวิมนนี้ท่านได้ตามความปรารถนาหรือเกิดโดยความเปลี่ยนแปลงท่านทำเองหรือเทวดาทั้งหลายมอบให้ผู้พ่อค้าเกวียนถามท่านว่าวิมานที่น่าชอบใจนี้ท่านได้มาอย่างไร เทพบุตรตอบว่าวิมานนี้มิใช่ข้าพเจ้าได้ตามความปรารถนามิใช่เกิดโดยการเปลี่ยนแปลงมิใช่ข้าพเจ้าทำเองทั้งมิใช่เทวดาทั้งหลายมอบให้วิมานที่น่าชอบใจนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยบุญกรรมอันดีงามของตนผู้พ่อค้าถามว่าอะไรเป็นวัดและเป็นพรหมจรรย์ของท่านนี้เป็นวิบากแห่งบุญกรรมอะไรที่ท่านสั่งสมไว้ดีแล้ว พ้อพ่อค้ากวนถามท่านว่าวิมานนี้ท่านได้มาอย่างไรเทพประบุตตอบว่าข้าพเจ้าได้มีนามว่าปายาสิเมื่อครั้งข้าพเจ้าครองราชสมบัติในแคว้นโคสนข้าพเจ้าเป็นนติกะทิฐิเป็นคนตรณีมีทาเลวซามและมีปกติกล่าวว่าขาศูนย์ได้มีสมณะนามว่ากุมารากัสปะเป็นพระโหสูตร ผู้เลื่ทางกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตไพราะครั้งนั้นท่านได้กล่าวธรรมกถาโปรดข้าพเจ้าได้ช่วยบรรเทาทิฐิที่เป็นฆ่าศึกทางใจของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าฟังธรรมกถาของท่านนั้นแล้วได้ประกาศตนเป็นอุบาสกงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์ยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ําเมาข้อนั้นเป็นวัดและเป็นพรหมจรร์ของข้าพเจ้า นี้เป็นวิบากแห่งบุญกรรมนั้นที่ข้าพเจ้าสั่งสมไว้ดีแล้ววิมานนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยบุญกรรมอันดีงามนั้นนั่นเองพวกพ่อค้าถามว่าทราบมาว่าคนมีปัญญาทั้งหลายพูดแต่คำจริงคำพูดของบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นคนทำบุญไว้จะไปในที่ใดย่อมมีแต่สิ่งที่น่ารักน่าใครบันเทิงอยู่ในที่นั้น ณนะที่ใดมีความโศกความร่ำไห้การฆ่าการจองจำและเหตุเกิดเรื่องเลวร้ายคนทำบาปไว้ก็จะไปในที่นั้นไม่พ้นจากคติที่ชั่วไปได้ไม่ว่าการไหนๆพ่อกุมารเพราะเหตุอะไรเนอะเทพบริวารจึงเป็นเสมือนผู้ฟั่นเฟือนไปในชั่วครู่นี้เหมือนน้าใสถูกกวนให้ขุ่นเพราะเหตุอะไรเนอะ เทพบริวานนี้และตัวท่านจึงได้มีความโทมนัสเทพระบุตตอบว่าพ่อทั้งหลายกลิ่นชิปเหล่านี้ช่ยกลิ่นหอมระรื่นจากป่าไม้ซึกหอมตลบอบอวนไปทั่ววิมานนี้กําจัดความมืดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนล่วงไปร้อยปีฝากไม้ซึกเหล่านี้แต่ละฝากก็จะแตกออกเป็นที่รู้กันว่าร้อยปีของมนุษย์ล่วงไปแล้ว ตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดในหมู่เทวดานี้พ่อทั้งหลายข้าพเจ้ารู้เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าจากดำรงอยู่ในวิมาณนี้เพียงห้าร้อยปีทิพย์แล้วจึงจุติเพราะสิ้นบุญสิ้นอายุข้าพเจ้าจึงซบเศร้าเพราะความโศกนั้นนั่นเองพวกพ่อค้ากล่าวว่าผู้ที่ได้วิมานซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้เป็นเวลานานเช่นนั้นจะพึงโศกเศร้าไปทาไมเล่า แต่พวกผู้มีบุญน้อยเข้าอยู่ในวิมานช่วเวลาสั้นๆนั่นแหละควรเศร้าโศกแท้เทพบุตรกล่าวว่าพ่อทั้งหลายข้อที่ท่านทั้งหลายกล่าววาจาที่น่ารักกับข้าพเจ้านั่นเป็นการกล่าวตักเตือนอันสมควรแก่ข้าพเจ้าส่วนข้าพเจ้าจะตามคุ้มครองท่านทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายไปยังที่ที่ท่านทั้งหลายปรารถนาด้วยความสวัสดีเถิดพวกพ่อค้ากล่าวว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการทรัพย์หวังกําไรจึงพากันไปยังสินธุและโสวีระประเทศแล้วจักพยายามค้าขายตามที่ตั้งใจไว้มีการเสียสละอย่างบริบูรณ์ทําการบูชาเสรีสกะเทพบุตรอย่างโอฬารเทพบุตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ทําการบูชาเสรีสกะเทพบุตรเลยสิ่งที่ท่านทั้งหลายพูดถึงทั้งหมดจกมีแค่พวกท่าน ท่านทั้งหลายจงงดเว้นกรรมชั่วและจงตั้งใจประพฤติธธ ร, รมเถิดในหมู่พ่อค้าเกวียนนี้มีอุบาสกผู้เป็นประโหสูตรประกอบด้วยศีลและวัดมีศรัทธามีจาคะมีศีลเป็นที่รักยิ่งมีวิจารณญาณสันโดษมีความรู้ไม่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่พูดส่อเสียให้เขาแตกกันผูดแต่วาจาอ่อนหวานละมุน ล, ละม่อม เขามีความเคารพยำเกรงมีวินัยไม่เป็นคนเลวเป็นคนบริสุทธิ์ในอธิศินมีความประพฤติประเสริฐเลี้ยงดูมานดาบิดาโดยชอบธรรมเขาเห็นจะสแสวงหาโภกซับเพราะเหตุแห่งมานดาบิดามิใช่เพราะเหตุแห่งตนเมื่อมานดาบิดาล่วงละไปเขาก็น้อมไปในเนคขัมมะประพฤติพรหมจันทร์เขาเป็นคนซื่อตรงไม่คดโกงไม่อโอดไม่เจ้าเล่ ไม่พูดมีเลดในเขาทำแต่กรรมดีตั้งอยู่ในธรรมเช่นนี้จะพึงได้รับทุกข์อย่างไรเล่าเพราะอุบาสกนั้นเป็นเหตุเข้าไปแจาจึงได้ปรากฏตัวพ่อค้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเห็นธรรมเถิดเพราะเว้นอุบาสกนั้นเสียแล้วท่านทั้งหลายจะสับสนเหมือนคนตาบอดลงเข้าไปในป่าเป็นเท่าฐานไปการทอดทิ้งผู้อื่นเป็นการง่ายสาหรับคนทั่วไป แต่เป็นการยากสำหรับสัตว์บุรุษการคบหาสัตว์บุรุษจึงนำความสุขมาให้อย่างแท้จริงพวกพ่อค้าถามว่าอุบาสกคนนั้นคือใครและทำงานอะไรเขาชื่ออะไรและโคดอะไรเทวดาแม่ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ต้องการจะเห็นอุบาสกนั้นที่ท่านมาที่นี้เพื่อช่วยเหลืออุบาสกที่ท่านชอบเป็นคนโชคดีเทพบุตรตอบว่า ผู้ใดเป็นกระบกมีชื่อว่าสัมภะอาศัยการตัดผมเลี้ยงชีพเขาเป็นคนรับใช้ของพวกท่านท่านทั้งหลายจงรู้ว่าผู้นั้นเป็นอุบาสกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูหมิ่นเขาเขาเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักยิ่งพวกพ่อค้ากล่าวว่าเทวดาพวกเขาไปแจารู้จักช่างตัดผมคนที่ท่านพูดถึงดีแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นนี้เลยเทวดา แม้พวกเราฟังคําของท่านแล้วก็จักบูชาอุบาสกนั้นอย่างโอฬารเทพบุตรกล่าวว่าพวกผู้คนในกองเกวียนนี้ไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่หรือคนปูนกลางทุกคนนั่นแหละเชิญขึ้นวิมานพวกคนตรนีจงดูผลของบุญทั้งหลายพระธรรมสังคีติกาจาย์กล่าวหัขคาถาในตอนจบเรื่องว่าพ่อค้าทุกคนณที่นั้น ต่างคนต่างเข้าห้อมล้อมช่างตัดผมนั้นพากันขึ้นวิมานซึ่งเสมือนพบดาวดืองของเทาวาสวะพร้อมกับกล่าวว่าเรากรเรากรพ่อค้าทุกคนนั้นต่างก็ประกาศความเป็นอุบาสกณะที่นั้นว่าเรากรเรากรแล้วได้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ในโลกยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเท็จ พ่อค้าทุกคนนั้นครั้นประกาศความเป็นอุบาสกณที่นั้นแล้วได้ไปยังประเทศที่ตนปรารถนาโดยสวัสดีหมู่พ่อค้าเกวียนบันเทิงอยู่ด้วยฤทธิ์ของเทวดาหนึ่งเนืองได้รับอนุญาตแล้วหลีกไปพ่อค้าเหล่านั้นต้องการทรัพย์หวังกำไรไปถึงสินธูและโสวีระประเทศพยายามค้าขายตามที่ตั้งใจไว้มีลา บ, บริบูรณ์ กลับมาเมืองปตาตลิบุตรโดยปลอดภัยพ่อค้าเหล่านั้นไปเรือนของตนมีความสวัสดีพร้อมหน้าบุตรพัญญามีจิตเพลิดเพลินดีใจปราบปลืม้มทำการบูชาเซริสกะเทพบุตรอย่างโอฬานได้ช่วยกันสร้างเทวาลชื่อเซริสกะขึ้นการครบสัปปรุตให้สำเร็จประโยชน์อย่างนี้การครบผู้มีคุณธรรมมีประโยชน์มากพ่อค้าทั้งหมดได้ประสบความสุข เพราะผลอันเสริมเนื่องมาจากอุบาสกคนเดียวเซริส ก, กะวิมานที่10บจบ